พระอาจารย์สุทัศน์โกสโลวัดกระจมทองตําบลวัดชลออําเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีท่านเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยกำเนิดนะคะ ท่านได้เมตตาเล่าให้ฟังค่ะว่าเมื่อครั้งที่ท่านอยู่ในวัยเด็กนะคะซึ่งเป็นช่วงเกิดมหาสงครามโลกครั้งที่สองครั้งนั้นประชาชนทั่วไปต่างตกอยู่ในความทุกข์เดือดร้อนไปทั่วโลกประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับความกระทบอย่างรุนแรงเช่นกันค่ะโดยผู้คนต่างอดอยากยากแค้นแสนสาหัสหที่มาซ้ำเติมความทุกข์ยากแรน้นแค้นนั่นก็คือโรคร้ายระบาดอย่างหนักผู้คนล้มตายเป็นจํานวนมากเยรยารักษาโรคก็ไม่มี แพทย์ซึ่งมีน้อยอยู่แล้วต่างกลัวตายพากันหนีภัยสงครามออกไปหาที่หลบซ่อนกันหมดที่หมู่บ้านท่าพระยาตาบุบ้านเพิ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเกิดโรคระบาดถาถมเข้ามาอย่างรุนแรงหนักหน่วงไม่เคยมีมาก่อนคนในหมู่บ้านต่างล้มป่วยแล้วก็ทยอยเสียชีวิตกันไปเรื่อยๆโดยเฉพาะพวกเด็กตัวเล็กๆนะคะที่พากันนอนสมรอความตายด้วยไข้ประหลาดนี้แทบจะทุกคนค่ะ ที่หมู่บ้านท่าพระยาแม้ยำปกติก็ขาดแคลนแพทย์แผนปัจจุบันมารักษาเยียวยาอยู่แล้วยิ่งในภาวะสงครามเช่นนี้ไม่ต้องพูดถึงชาวบ้านจึงต้องหันมาพึ่งยาสมุนไพรหรือยากลางบ้านเท่านั้นนะคะเพื่อรักษากันไปตามมีตามเกิดค่ะคนที่ป่วยเป็นโรคประหลาดดังกล่าวนี้จึงพากันล้มตายดุดใบไม้ร่วง ขณะนั้นพระอาจารย์สุทัศน์ก็ยังเป็นเด็กตัวเล็กๆนะคะกาลังเรียนอยู่ชั้นประถมก็เกิดเป็นไข้ประหลาดนี้ไปพร้อมกับน้องชายและพวกเด็กๆอีกหลายคนแต่น้องชายไม่อาจจะทนต่อการคุกคามของโรคร้ายได้เสียชีวิตไปในที่สุดจากนั้นก็ได้พากันเสียชีวิตไปทีละคนสองคนแทบจะหมดหมู่บ้านแต่ว่าพระอาจารย์สุทัศน์กลับรอดตายมาอย่างปาฏิหาริย์นะคะ การตายของน้องชายและเพื่อนๆรุ่นเดียวของท่านทําให้ท่านเกิดสะเทือนใจมากสงสารน้องก็สงสารร้องไห้จนไม่มีน้ําตาจะไหลออกมาจากความโศกเศร้าเสียใจมันรุมเร้าครอบงําจิตอย่างต่อเนื่องทําให้จิตใจตอนนั้นคิดถึงแต่การพลัดพรากอยู่อย่างอยู่อย่างเดียวค่ะแต่แล้วก็เกิดความมหศัศจรรย์ขึ้นโดยที่พระอาจารย์สุทัศน์ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นกับตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเกิดเป็นนิมิตม่านหมอกสีขาวครอบคลุมไม่มีที่สิ้นสุด ในท่ามกลางของหมอกควันนั้นนะคะได้ปรากฏร่างของหญิงคนหนึ่งเคลื่อนไหวผ่านหน้าท่านไปอย่างช้าๆเท้าลอยจากพื้นแล้วก็หายวับไปค่ะแล้วก็พื้นเบื้องหน้าของท่านมีร่างของน้องชายและก็เพื่อนๆซึ่งได้ตายไปแล้วนอนแน่นิ่งเรียงรายกันอยู่พระอาจารย์สุทัศน์ไม่เข้าใจกับสิ่งที่เห็นอยู่เบื้องหน้าว่าเหตุใดน้องชายและก็เพื่อนๆจึงนอนแน่นิ่งไม่เคลื่อนไหวขยับเคยืย่อนเช่นนั้น ภาพในนิมิตปรากฏให้เห็นเพียงเท่านี้ก็หายไปนะคะนับตั้งแต่ภาพนั้นได้มาปรากฏให้เห็นทําให้พระอาจารย์สุทัศน์ครุ่นคิดถึงแต่การพลัดพรากอยู่ตลอดเวลาเมื่อใดที่เห็นพระสงฆ์แล้วก็สามเณรห่มครองผ้าเหลืองเดินผ่านไปด้วยความสํารวมนะคะหลวงพ่อสุทัศน์ท่านก็จะเกิดความปิติยินดีนิยมรักใคร่ในผ้าเหลืองอยากจะเป็นพระสงฆ์สามเณรอย่างนั้นบ้าง พลังความรู้สึกอยากจะเป็นเช่นพระสงฆ์สัมมนเนนมันกระตุ้นจิตใจอยู่ตลอดเวลาและก็มีพลังมากขึ้นทุกวันทุกวันแต่อีกใจหนึ่งก็วกไปถึงพ่อแม่ที่หากออกบวชแล้วก็จะปล่อยให้พ่อกับแม่ทำงานหนักแล้วก็ลำบากต่อไปตัวเองยังไม่ได้ช่วยอะไรท่านเลยการออกบวชจะเป็นการเอาตัวรอดหรือไม่ความคิดมันสับสน ถ, ถกกันไปถกกันมานะคะแต่ว่า พลังของการขับเคลื่อนที่รุนแรงถาโถมเข้ามาในใจของพระอาจารย์สุทัศน์ตอนนั้นท่านบอกว่าการออกบวชในพระพุทธศาสนามันมีรุนแรงมากและก็มีอิทธิพลมากกว่าการที่จะอยู่เพื่อที่จะดูแลพ่อกับแม่ทางโลกค่ะแล้วยังมีความคิดอีกความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาแทรกซ้อนอยู่ตรงกลางทั้งทางที่ตัวเองก็ยังเป็นเด็กอยู่นะคะว่าจะคิดตามระสาเด็กก็คงไม่ถูกต้องนักเพราะว่า เไปถึงการมีคู่เป็นผัวเป็นเมียและมีลูกด้วยกันได้ยินแต่เสียงเด็กร้องไห้กระจององอแงตลอดทั้งวันพอจิตมาคิดถึงตรงนี้ก็ทำให้เกิดทุกข์ทรมานใจมากเป็นที่สุดเพราะว่าตัวของท่านเองตอนนั้น ไม่ค่อยชอบเด็กที่ร้องกระจองงอแงอย่างรุนแรงอยู่ก่อนแล้วถ้ามีครอบครัวก็ไม่พ้นการมีเด็กตัวเล็กๆร้องไห้งอแงมันยิ่งทรมานใจแล้วคิดถึงการบวชเป็นพระสงฆ์แล้วก็จะตัดขาดจากทางโลกไม่มีเมียไม่มีลูกตลอดชีวิตค่ะ การต่อมาพระอาจารย์สุทธาอายุมากขึ้นนะคะก็ช่วยพ่อแม่ทํางานตามอาชีพที่สืบสานกันมาพอเวลาว่างก็จะเข้าไปปรนิบัติพระครูประพาสเจ้าอาวาสวัดคงคาสวัสด์เป็นประจํานะคะท่านพระครูประพาสค่ะท่านเป็นพระเกจิผู้มีชื่อเสียงกิตติคุณเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและท่านยังเป็นพระกรรมฐานที่เคร่งครัดอย่างยิ่งและที่วัดคงคาสวรรัสด์ก็มีสํานักสอนกรรมฐานด้วยพระเนนส่วนหนึ่งได้มุ่ง ทางปฏิบัติอีกส่วนหนึ่งมุ่งไปทางปริยัติปริยัติคือการเล่าเรียนพระไตรปิฎกนะคะท่านพระครูประภาสค่ะได้พิจารณาจริตนิสัยของเด็กหนุ่มที่ชื่อสุทัศน์เห็นว่ามีความอ่อนน้อมถ่อมตนเอาพระรัตนตรัยเป็นพื้นฐานธรรมชาติของใจท่านจึงได้ให้ไปรับกรรมฐานไปฝึกกรรมฐานนะคะพระอาจารย์สุทัาธิก็รับไปฝึกปฏิบัติอย่างตั้งออกตั้งใจค่ะนอกจากนี้ พระอาจารย์สุทัศน์เองนะคะท่านก็ยังได้รับการสอนข้อธรรมในพระปริยัติให้อีกทางหนึ่งเหมือนกับว่าท่านพระอาจารย์ได้บวชเป็นพระเป็นเนนแล้วอย่างนั้นแหละทั้งๆ ท, ที่ตอนนั้นเนี่ยท่านยังเป็นคนดิบยังเป็นคาราวาสอยู่นะคะ การปฏิบัติธรรมกรรมฐานของท่านค่ะแล้วก็การเจริญอ่าเป็นมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับนะคะกระทั่งรวมสติสงบเป็นสมาธิถึงขั้นมีความปิติมีความสุขเบาสบายอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ยิ่งทำให้พระอาจารย์สุทัศน์ได้ตัดสินใจระหว่างทางโลกกับทางธรรมง่ายขึ้นและในที่สุดค่ะอายุครบบวชพอดี จึงได้ขอพ่อแม่ออกบวชเพื่อสร้างกุศลในทางธรรมให้พ่อแม่ได้เกาะายพระเหลืองไปสู่สวรรค์พ่อและแม่ของท่านมีความยินดีปรีดาอย่างยิ่งดังนั้นค่ะท่านจึงได้ออกบวชที่วัดคงคาสวรรัส์โดยมีท่านพระครูประพาสภูมิสถิตเป็นพระอุปชา พระอาจารย์เจิมเป็นพระกรรมวาจารพระปลัดเกตเป็นพระอนุสาวนาจารมีฉายาว่าโกสโลพิกขุท่านบวชเรียนอยู่ในวัดแห่งนี้จนกระทั่งจบนักธรรมเอกซึ่งขณะเดียวกันนั้น ท่านก็มีความรู้สึกเบื่อหน่ายในการปฏิบัติที่จำเจซ้ำซากอยู่แต่ภายในอารามจิตของท่านก็ปรารถนาที่จะออกไปสแสวงหาที่สงบห่างไกลสิ่งยุ่ยยวนทางโลกเพื่อบำเพ็ญเพียรเร่งร้าวตัดกิเลสทั้งหลายทั้งปวงซึ่งห้อมล้อมสมณะทุกรูปทุกองค์ในขณะนั้นค่ะเมื่อหลวงพ่อ คิดได้ดังนั้นนะคะท่านก็เห็นควรจะออกทุดงกรรมฐานเพื่ อ, อเผชิญกับโลกของธรรมชาติที่มักน้อยสันโดษอย่างแท้จริงสถทีท่านก็เลยได้ชวนเพื่อนที่เป็นพระปฏิบัติ ด, ด้วยการออกเที่ยวทุดงไปตามป่าเขาโดยตั้งใจนะคะว่าการออกทุดงครั้งแรกจะทุดงภายในอาณาบริเวณจังหวัดค่ะ ต่อเมื่อเรียนรู้วัดปฏิบัติดีแล้วค่อยจาริกธุดงกรรมฐานออกไปอย่างไร้ขอบเขตเช่นครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติและก็สืบทอดกันมาคราวนั้นมีพระเพียงสองรูปเท่านั้นที่ยินดีร่วมเดินทางออกไปแสวงหาความเงียบสงัดในการบําเพ็ญเพียร เ, เมื่อเห็นว่าพร้อมแล้วจึงได้นําความรู้สึกของตนเองไปกราบนมัชการเจ้าอาวาสก็คือพระครูประภาสซึ่งท่านก็เห็นดีด้วยพระอาจารย์สุทัศน์จึงเริ่มต้นออกเที่ยวธุดงตั้งแต่บัดนั้นนะคะ โดยท่านเริ่มต้นจากทางวัดมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าที่อยู่ห่างไกลาจากความพลุ่งพล่านของคนและครั้งแรกในชีวิตที่ก้าวสู่ป่าใหญ่ที่ห่างบ้านของผู้คนพระหนุ่มทั้งสามต่างก็ตื่นเต้นในความแปลกใหม่ของบรรยากาศในยามนั้นต้นไม้ใบหญ้างอกงามเขียวขจีที่มองไปตรงไหนก็ให้ชีวิตชีวาค่ะ มองไปบนต้นไม้ก็เห็นฝูงนกท ร, รมาหากินอย่างอิสระส่งเสียงร้องอย่างเพลิดเพลินตามธรรมชาติของมันรวมไปถึงสัตว์ป่าอีกจำนวนจำนวนจานวนหนึ่งนะคะที่บินไม่ได้เหมือนกับนกอื่นๆมันก็ออกหากินตามพื้นดินที่มีอยู่มากมายหลายชนิดสัตว์ทุกประเภทในป่าใหญ่พวกมันมีอิสระเสรีอยากไปไหนก็ไปไม่มีเขตจากัดพระอาจารย์สุทัศน์เองค่ะเวลานั้นประหนึ่งได้ปลดพันธนาการออกจากตัวหมดแล้ว แล้วก็เดินท่องเที่ยวทุดงมาเป็นเวลานานพอสมควรค่ะพระอาทิตย์เริ่มลับยอดไม้แสงที่เคยเจิดจ้าเริ่มอ่อนแสงลงไปทุกขณะจึงหาสถานที่ที่เหมาะสำหรับปักกรดเพื่อเจริญภาวนาพอปักกรดเสร็จก็พากันไปส่งน้ำซึ่งมีลำห้วยเล็กพอได้สาดทำให้สบายตัวสบายกายได้นะคะจากนั้นก็สวดมนต์อันเป็นกิจวัตรของสงฆ์แล้วก็นั่งเจริญภาวนาค่ะ ความมืดเริ่มเข้าครอบครองผืนป่าจนกลายเป็นสีดำทั้งหมดมองไม่เห็นสิ่งใดเลยและก็จะมีแต่เพียงแสงที่จุดให้ความสว่างสองสามเล่ม ซึ่งแตกต่างจากระหว่างป่าเปลี่ยวกับวัดมันเป็นคนละแบบในป่านี่มันมีแต่ความเงียบบางเวงแล้วก็เสียงสัตว์ป่าร้องเรียกหาเพื่อนทั้งตอนเข้าหาที่หลับที่นอนแล้วก็ตอนออกหากินตอนค่ำคืนเสียงป่ามันจึงดังโวกเวกโวยวายเป็นช่วงๆเสียงขันของตุ๊กแกเสียงร้องของตุ๊กแกป่ามันก็น่ากลัวไม่รู้ว่า มันทักทายหรือว่ามันขับไล่ให้ออกจากพื้นที่อันเป็นถิ่นอาศัยของมันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเสียงเดินข้างกรดเหมือนเสียงเดินของสัตว์ป่ามันมาแอบดูแรกแรกก็เพลิดเพลินแต่พอนานเข้าเมื่อความเย็นมันโรยตัวเข้ามาเสียงสัตว์ป่าเมื่อครู่ก็หายไปจิตใจของพระอาจารย์ท่านก็เริ่มแปรปรวนค่ะรู้สึกหวาดวันกลัวเสือโครงเจ้าป่ามันจะมาคาบไปเป็นเหยื่อก็เท่านั้นพร้อมกันนั้นก็พยายามสํารวมจิตเข้ายึดเหนี่ยวภาวนาเอาไว้จนแนบแน่น จนถึงกระชั้งกระทั่งรุ่งเช้านะคะแล้วก็ในเช้าวันนั้นพระอาจารย์สุทัศน์และก็เพื่อนชาติธรรมมิกอีก2รูปขาดได้ออกโคจรบินทบาดพอได้ข้าวแล้วก็อาหารมาฉันประทังชีวิตจากนั้นก็เก็บอัฐาบริหารเที่ยวทุดงต่อไปวันแรกของการออกป่าทุดงกรรมฐานท่านทั้ง3ก็พรจนรู้ริดเจ้าตัวกิเลสร้ายเพียงใดเพราะว่าการท่องเที่ยวทุดงไปในสถานที่เปลี่ยวร้างนั้นขาดแคลนเรื่องความสุขสบายทุกอย่าง กลางวันจะได้อีกบรรยากาศหนึ่งก็คือความร้อนจนเหงือง่อเหงือง่อไหลคลย้อยนะคะเหม็นสาบตัวเองก็เท่านั้นพอตกกลางคืนก็ระจนกับความหนาวโดยเฉพาะภูมิอากาศทางภาคใตนะ้นี่ต้องบอกว่าฝนตกจะตกไม่ตกคือไม่รู้เวลาค่ะมันไม่ได้แสดงให้รู้ล่วงหน้าเหมือนภาคอื่นบางครั้งแดดเต็มฟ้ามันก็ตกลงมาดื้อ อ, อย่างนั้นแหละนะคะกลางคืนนอกจากอากาศจะหนาวเย็นแล้วยังถูกโจมตีจากพวกยุงเหลือปริ้น จะตบตีมันก็ไม่ได้เป็นบาปจึงเพียงถัดมันออกไปนี่คือการทรมานตัวเองซึ่งพระผู้สำเร็จแล้วล้วนได้ประสบพบเจอมาทั้งนั้นนี่เป็นเศษเสี้ยวความทรมานใจทรมานกายค่ะที่เคยสุขสบายกายเป็นพาดของกิเลสมานานการออกทุดงท่องเที่ยวหาที่สงบภาวนาก็เพื่อต้องการเอาชนะกิเลสหรือฆ่ากิเลสให้มันตายแล้วก็ดับไปจากจิตวิญญาณเพื่อความสะอาดหมดจดของจิตค่ะ พระอาจารย์สุทัศน์แล้วก็เพื่อนสหธรรมิกของท่านจะต้องต่อสู้แล้วก็ผจนกับความทุกข์ทรมานแล้วก็ความเร้นลับของป่ามากมายยิ่งกว่านี้หลายเท่าตัวแต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคสำหรับพระอาจารย์สุทัศน์เพราะว่าท่านได้สละแล้วทุกอย่างแม้แต่ชีวิตหากจะตายก็ขอให้ตายอยู่ในโลกแห่งธรรมะดังนั้นการค้นหาแก่นแท้ของธรรมะจึงเป็นหน้าที่ในจิตวิญญาณของท่าน เพื่อก้าวเดินไปสู่โมกขธรรมด้วยความมั่นคงและแน่วแน่ไม่หวั่นไหวแส่สายต่อสิ่งที่รู้ที่เห็นอย่างแน่นอนอันเป็นปณิธานในจิตของท่านที่ได้ตั้งก่อไว้ก่อนออกทุดงกรรมฐานพร้อมกับสหธรร ม, มิกอีกสองรูป การท่องเที่ยวธุดงของพระปฏิบัติรุ่นใหม่เห็นอะไรก็แปลกตาแปลกใจไปหมดกระทั่งไปถึงเทือกเขาสูงแห่งหนึ่งในบริเวณเทือกเขาเงียบสงัดลูกนี้นะคะถ้าอยู่แห่งหนึ่งมีชื่อว่าเน่ข่ำ ม, มะค่ะบริเวณปากถ้าร่มรื่นแล้วก็เย็นสบายถ้าแห่งนี้เคยมีพระธุดงกรรมฐานมาปฏิบัติธรรมมาแล้วแต่ก่อนถ้านี้มีชื่อว่าถ้ำนาคามฟังชื่อออกจะพิลึกอยู่นะคะแต่ว่าคําอธิบายความเป็นมาดังนี้ค่ะ เนื่องจากพระที่มาปฏิบัติที่ถ้ำแห่งนี้เนี่ยจะได้เผชิญกับอารมณ์กามกิเลสคือกิเลสมานที่เข้ามาขัดขวางในการบำเพ็ญเพียรเพื่อการหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงจึงมีชื่อดังกล่าวก็เป็นได้พระอาจารย์สุทัศน์และก็สหธรรมิกขึ้นมาถึงแล้วพบว่ามีพระธุดงสองรูปมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่ถ้ำแห่งนี้ก่อนท่านเป็นพระที่มีพรรษาสูงกว่าทั้งสองรูปเมื่อได้สนทนากันแล้วก็ศบอัธยาสัยเรียกว่าคุยถูกคอถูกใจกันนั่นเองนะคะ ท่านผู้แก่ด้วยพรรษาแล้วก็การปฏิบัติธรรมค่ะได้พาไปดูหม้อดินเผาขนาดใหญ่ที่อยู่ภายในถ้ำในหม้อใบนั้นนี้ก็จะมีกระดูกเก่าแก่อยู่หลายชิ้นกระดูกแต่ละชิ้นก็จะมีขนาดใหญ่แต่ว่าไม่มีใครทราบนะคะว่าเป็นกระดูกของคนหรือว่าสัตว์แต่ที่น่าสังเกตคือถ้าเป็นกระดูกสัตว์มีเหตุผลอะไรทำไมถึงต้งองมาเก็บไว้ในหม้อนอกจากกระดูกคนเท่านั้น เมื่อได้พิจารณาดูแล้วนะคะพระอาจารย์สุทัศน์จึงอยากจะพิสูจน์ให้รู้แน่ว่ามันคือกระดูกอะไรไม่ต้องมานั่งคิดเป็นปริศนาคาใจเปล่าๆพระอาจารย์สุทัศน์จึงเอ่ยปากขอยืมกระดูกท่อนหนึ่งไปพิจารณาจากนั้นก็แยกตัวไปปักกรดแล้วก็ภาวนาต่อไปตามความเหมาะสมค่ะ พระอาจารย์สุทธน์และก็สหายธรรมของท่านเดินขึ้นไม่ไกลนักนะคะก็เจอถ้ำแห่งหนึ่งค่ะเห็นว่าเหมาะสมที่จะยึดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมจึงแยกย้ายกันปักกลดเพื่อเจริญภาวนาเพราะความอยากรู้อยากเห็นกระดูกนั้นเป็นของใครมันยังกระตุ้นความรู้สึกตลอดเวลาและท่านต้องรู้ให้ได้ในคืนนี้ ท่านจึงได้ออกบอกกับสหายธรรมของท่านทั้งสองนะคะว่าจะลองนั่งกําหนดจิตพิจารณากระดูกที่ยืมมาซิว่าเป็นของใครพร้อมกับบอกเพื่อนสหายธรรมิของท่านนะคะว่าบอกว่าจะลองลองสืบดูว่ากระดูกตัวเนี้จะเป็นของใครทําไมมาอยู่ในนี้นะคะเมื่อหลวงพ่อสุทัศน์ค่ะได้กําหนดจิตอย่างรู้อยู่แล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นก็อย่าได้ตื่นกลัวโวยวายของให้อยู่ในความสงบพระสหายของท่านก็รับคําแต่โดยดีนะคะ พอได้เวลาค่ะพระอาจารย์จุทัศน์ได้นำกระดูกมากาไว้ในมือซ้ายมือขวาวางบนท่อนกระดูกแล้วก็อธิษฐานจิตนะคะว่ากระดูกที่อาตมาถืออยู่นี้เป็นกระดูกของคนหรือสัตว์ขอให้อาตมาได้รู้ด้วยเถิดหลังจากกล่าวจบค่ะท่านก็ได้กำหนดจิตให้แน่วแน่เป็นอารมณ์เดียวและยกคำว่าอัถีกังท่านนั่งภาวนาอยู่ไม่นานจิตก็เกิดเป็นสมาธิเข้าสู่ความสงบ พร้อมกันนั้นได้ยินเสียงแววมาจากปากไลกลๆเสียงนั้นดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆพอจะจำแนกได้ว่าเป็นเสียงของสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งกำลังเคลื่อนไหวบุก ป, ป่าฝ่าดงตรงเข้ามายัางถา้าอันเป็นสถานที่เจริญธรรมของพระอาจารย์สุทาน์และสหายธรรมของท่าน พระอาจารย์สุธาได้ยินเสียงประหลาดตรงดิ่งเข้ามาท่านจึงประคองจิตให้อยู่ในภาวนาอย่างแนบแน่นไม่วอกแวกหวั่นไหวต่อการมาของสิ่งหนึ่งซึ่งมันอาจจะไม่ใช่คนหรือสัตว์มันอาจจะเป็นอะไรที่เราไม่อยากจะเห็นก็ได้นะคะ ท่านไม่ให้จิตเลื่อนไหลออกไปจากภายนอกแม้จะได้ยินเสียงก็สักแต่ว่ามันเป็นเสียงจิตไม่ได้ไปคล้องเกี่ยวกับเสียงนั้นด้วยเสียงนั้นมันบุกเข้ามาประชิดตัวของพระอาจารย์สุทัศน์อย่างรวดเร็วประหนึ่งว่ากําลังจะเข้ามาทําร้ายและแล้วพระอาจารย์ก็รู้ได้ทันทีว่าสิ่งที่พุ่งเข้ามานั้นไม่ใช่สิ่งอื่นนอกจากเจ้าของกระดูกชิ้นนี้แต่มันเป็นอะไรท่านเองก็ไม่รู้ได้ในบัดดล น, นั่นเองนะคะ มันเข้ามาถึงปากถ้ำแล้วปรากฏมีแสงเจิดจ้าสาดเข้ามาอย่างถ้ำจนสว่างสวยัยเพื่อนสาธรรมีของพระอาจารย์สุทธา ร, รูปหนึ่งเกิดตกใจกลัวอย่างสุดจะทนหลุดปากร้องออกมาอย่างไม่ได้ตั้งใจอย่างคนขาดสติเมื่อเสียงดังขึ้นแสงนั้นก็ดับวูบหายไปทันทีจะเหลียวไว้แต่ความเงียบแห่งป่าดงพงไพร พระอาจารย์สุทธัต์ถอนจิตออกจากสมาธิด้วยความผิดหวังเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าเป็นกระดูก ข, ของใครพระที่เผลอร้องออกมาแสดงความเสียใจที่ทำลายโอกาสครั้งนี้แต่ว่าพระอาจารย์สุทธัศน์ท่านเองก็ไม่ได้ตำหนิแต่ประการใดแต่ได้สัญญาว่าจะไม่ร้องขึ้นมาอีก จะพยายามข่มความกลัวไม่ให้เสียพิธีอย่างแน่นอนเมื่อเพื่อนสหธรรมมิรได้รับคําได้ได้รับรองนะคะอย่างหนักแน่นพระอาจารย์สุทัศน์ก็ตกลงทดลองเรียกเจ้าของกระดูกให้มาปรากฏตัวอีกครั้งจากนั้นท่านเองก็เริ่มเจริญภาวนาจนจิตรวมเป็น1เดียวเวลานานพอสมควรค่ะก็ปรากฏเสียงดังแล้วก็แบบประหลาดแว่วมาแต่ไกลเช่นเดิมแล้วก็ดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆเช่นคราวแรกนะคะ ยิ่งเสียงประหลาดนั้นดังใกล้เข้ามาเท่าไหร่บรรยากาศภายในถ้ายิ่งเครียดมากขึ้นเท่านั้นแล้วที่มาหยุดอยู่แล้วก็มาหยุดอยู่ตรงปากถ้าเหมือนเดิมนะคะพร้อมกับสา์แสงเจิดจ้าสว่างไปทั้งถ้าอันกว้างใหญ่และคราวนี้มีเสียงเคลื่อนกระทบพื้นหินผ่านปากถ้าตรงเข้ามาภายในแสดงว่ามันกาลังตรงเขามายังพระอ่อนพรรษาทั้ง3รูปที่ยังนั่งนิ่งสงบอยู่ค่ะ ในเสี้ยววินาทีนั้นนะคะสิ่งที่ต้องการรู้กำลังจะได้รับคำตอบจากเจ้าของกระดูกลึกลับพระรูปเดิมไม่อาจจะระงับความกลัวสุดกลั้นไว้ได้จึงเผลอร้องออกมาเต็มที่พริบตาเดียวเท่านั้นล่ะค่ะแสงนั้นก็หายไปพระอาจารย์สุทธ์ถอนหายใจพร้อมกับอุทานออกมาเบาๆบอกว่า หมดหวังหากจะเรียกเจ้าของกระดูกนั้นมาพิสูจน์อีกครั้งก็เห็นว่าจะไม่สำเร็จอย่างแน่นอนเพราะต่างก็เป็นพระหนุ่มนักปฏิบัติมือใหม่ยังขาดประสบการณ์ขืนเรียกมาอีกเจออะไรที่น่ากลัวเดี๋ยวก็พากันสติแตกเป็นบ้าเอาง่ายๆขึ้นต่อมาทุกอย่างก็เป็นปกติไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะ เมื่อทําความเพียรได้ระยะเวลาหนึ่งจึงได้พาสหธรรมมิกหวนกลับไปที่วัดคงคาสวัสด์ทั้งทังที่ตัวของท่านเองนั้นก็กําลังเพลิดเพลินกับการเจริญธรรมกรรมฐานเมื่อกลับมาถึงวัดแล้วจิตใจของพระอาจารย์สุทัศน์กลับไปผูกพันอยู่กับความสงบเงียบของป่าอยู่ตลอดเวลาดังนั้นท่านก็เลยออกเที่ยวทุดงอีกครั้งการออกทุดงกรรมฐานคราวนี้ค่ะท่านได้ไปขออนุญาตพ่อแม่ เพราะว่าการเดินทางท่องเที่ยวทุดงคราวนี้คงนานหลายปีทําให้พ่อและก็แม่เป็นห่วงกลัวจะเป็นอันตรายเพราะว่าจะต้องไปอยู่กลางป่ากลางดงพงไพรท่านกลางสัตว์ ร, ร้ายแล้วก็ความเร้นลับที่มองไม่เห็นของป่าแต่เมื่อพระลูกชายยืนยันจะไปให้ได้ก็ไม่อยากจะห้ามได้สุดท้ายโยมพ่อโยมแม่ก็อนุโมทนาด้วยโยมพ่อโยมแม่ของท่านยังแนะนําให้ไปกราบนมัสการองค์พระาธาตุเจดีย์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนไปเพื่อเป็นสิริมงคลด้วยนะคะ น, ะะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังเรื่องของหลวงพ่อสุทัศน์นะคะที่ไปเจอ ก, กันกับวิญญาณในป่าช้าวัดชายนานะคะตอนที่หลวงพ่อท่านเองเนี่ยออกไปทุดงกรรมฐานนะคะ <c oughs> ก็ยังมีจะมาเล่าให้ฟังด้วยรวมถึงรวมถึงนะคะผีทั้งป่าช้าเนี่ย หิวหัวมาหลอกด้วยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารอติดตามฟังกันต่อไปนะคะเป็นเรื่องของชีวประวัตินะคะของพระเกจิชื่อดังแห่งภาคใต้ค่ะพระอาจารย์สุทศั์โกสโลนั่นเองค่ะ